โอเห็นคณะที่เสนอเมื่อกี้เนี่ยทหารอากาศเนาะอืมเป็นข้าราชการอุดอรและตามให้จริงหลวงพ่อเองก็อยากจะพบเหมือนกันนะพบข้าราชการข้าราชการบํานานเรียว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเมืองอุดรเรียกว่าผู้ทรงคุณวโนดของชาวเมืองอุดอรเพราะว่าหลวงพ่อไปเป็นประธานสร้างตึกหนีไฟติดกับตึกหลงตา คืตึกลงตาเนี่ยตึกลงตาเก้าสิบเจ็ดปีลงตานะแต่หลวงพ่อตั้งเรียงกันจอดรถประมาณห5 0้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยคันตึกหลังนี้นะใหญ่พอสมควรแต่ทีนี้ก็ค่าใช้จ่ายพอไหมยังขาดอยู่แต่ก็ไม่มากหลวงพ่อถามถา ม, ถามทางโรงพยาบาลนะมีเงินเดียวเท่าไหร่เขาก็บอกว่ามีเงินอยู่เจ็ดสิบห้าล้านอะไร แต่เขาบอกว่าตึกหลังนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาตีราคา94ล้านแต่ในทางอุราทางโรงพยาบาลก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเพราะงเงิน75ล้านกับ94ล้านเขาบ่งบอกอย่างนั้นแล้วตึกหลังนี้แหละ10ชั้นเนี่ยก็เลยมาหาหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อตดลองดูที่ได้ได้ไม่ได้ก็ตดลองดูลองพ่อก็เลยเข้าไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทีนี้ ก็เลยประกาศสุขสิทธิ์ลูกหาคณะชาติไทญาติโยมใครบ้างจะมาประมูลเรื่องนี้แต่เราไม่ต้องบอกนะว่ากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเล้านเราไม่ต้องบอกเพราะเราไม่ใช่ส่วนราชการเราประกาศแบบใครเอาความจริงมาว่ากันเลยไม่มีนายหน้าไม่มีอะไรไม่มีการห้วกันเอาความจริงมาโพดกันเลยก็ได้หกบริษัทมาแล้วก็ยื่นแบบให้เขาก็เลยไปตีราคาปฏีราคาเสร็จร้อนแล้วก็ บริษัทที่ได้ราคาต่ําสุดนั่นคือ78ล้านแต่บริษัทสองบริษัทนั้น118 119ล้านแต่บริษัทหนึ่งอะ97หรือ98ล้านแต่บริษัทนี้ต่ําสุด78ล้านก็เราก็เลยเอาบริษัทสมบริษัทมาคุยว่าจะลดลงได้เท่าไหร่มาคุยกันหน่ิเป็นกลุ่การภายในเขาก็ลดไม่ได้ทั้งสองบริษัท แต่บริษัทสุดท้ายเนี่ยเขาไปยืนพื้นเขาบอกเขาอยากจะทําเพราะเขาเป็นคนเมืองอุดอรคือลูกหลานของตั้งกิมเซิงลูกของตั้งกิมเซิงบริษัทเขาขายอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่แล้วหลวงพ่อเคิว่าก็ถึงยังไงเขาก็ไมาทิ้งงานเพราะเขาเป็นคนชาวอุดอรและก็เป็นบริษัทขายอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นตัวแทนของปูนซีมเมนไทยอีกต่างหากก็เลยมาคุยกับพวกคณะกรรมการทั้งปออทั้งอะไรหลวงพ่อก็เลยเอา ได้แน่นะได้แน่ก็เลยเซ็นสัญญากันเดี๋ยวนี้ตึกหลังนี้กำลังขึ้นเป็นชั้นที่สีแล้วอีกไม่นานก็คงจะจบแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปปรึกษากับโยมหลายฝ่ายเหมือนกันนะได้พูดกับเนี่ยนะโยมหลายคนก็น่าจะมีผ้าป่าผ้าป่าสามัคคีเพราะว่าตัวนี้มันก็บานปลายอยู่บ้างไม่มีงานไหนที่จะว่ามันจะอยู่ตัว เออเท่าไหรเท่านั้นเต้มนมองเห็นว่าโอ้ตัวน้นเหมือ็น่าจะทําเพราะว่าพอก่อขึ้นมาแล้วตอนนี้มันเป็นเพลิงข้างเข้าไปข้างล่างเลยมันเป็นถ้าเข้าไปข้างในแล้วจะเอาดินเข้าไปแล้วจะดินถมไหมถ้าดินเข้าไปมันคงจะเป็นหลายร้อยหลายร้อยคันรถเข้าไปมันก็เกินความจำเป็นเราปิดเลยออันนี้คือการปิดตัวนี้แหละี่ใช้เงินเนี็ดไม่ต่ำกว่าหลายแสนบาทที่ที่จะปิดกําแพงกั้นที่ไม่ให้มันเป็นโพรงเป็นถ้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ไอ ชั้นบันไดที่มันจะเชื่อมกันกับตึกลงตานะ่ะแต่นี้ที่แรกเราก็คิดว่าประมาณ 3, 4, 4สักสามสี่สี่สะพานมันจะพอไหมก็น่าจะพอเก้าเจ็ดห้าสามแต่ที่นี้ก็มีคนท้วงติงมาว่าทุกชั้นนะของลงตานะ่ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปนะต้องคนป่วยเนะี่ยเวลาไฟไหม้เราอยาจะทำไงมันลงไม่ได้หามลงไม่ได้ไม่ต้องวิ่งออกมาออกมาตึกหนีไฟ น่าจะทําทุกชั้นเพรานี่น่าทำทุกชั้นในวัดท้งทีศแรกก็ตีว่าเอาทางคณะกรรมการทางบ้านตาจะเป็นผู้มาช่วยจํานวนที่เหลือที่จะเพิ่มแต่บันวานวันก่อนทางบ้านตาเขาปฏิเสธเพราะว่าปัดป่าบ้านตาแบกภาระอย่างอื่นก็มากต่อมากเรื่องค่าใช้จ่ายขอมอบให้ทางทางคณะกรรมการแต่หลวงพ่อก็เลยมาพิจารณาเดิมมาทั้งชั้น9้าชั้น8ดชั้นเจ็ ชั้นหชั้นหาชั้นสี่ชั้นสชั้นสองเนี่ยมันทั้งหมดมันกหลายชั้นแทนเนี่ยเพราะหลายชั้นเนี่ยก็เราเคร์โอมันเกินไปมากเกินไปมั้งถ้าเราจะให้เราแบกเนี่ยหลวงพ่อว่าแบกชั้นเก้าชั้น8ดชั้นเจดชั้นห้าชั้นสามเออทำไมเราจึงออกขนาดนี้เพราะว่าชั้นเก้านี่เป็นชั้นจิบชั้นเก้าใช่ไหมมันวิ่งของดวงตาในชั้นจิบแล้วก็ชั้นเก้าเลาชั้น9 แต่ชั้นแปเนี่ยทำไมเพราะชั้นแปดเป็นห้องไอซีออกไอซียูคนป่วยหนักขึ้นไปอยู่ในชั้นแปดเนี่ยคนชั้นแปดถึงหามขึ้นไปหามลงไปไหนมันจะต้องออกมาทางนี้เท่านั้นเพราะคนสลบสลายอยู่แล้วชั้นแปดต้องห้องไอซต้องมีแล้ชั้นเจ็ดแล้วก็ชั้นห้าแล้วก็ชั้นสามหลวงพ่อบอกเอออันนี้ต้องถามผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เฒ่าผู้แก่ หรืออาเซียล้านค้าต่างๆจะช่วยเราได้ไหมเพราะเราช่วยสร้างตึกได้กระหนักแล้วแต่นี่ไอ้ถ้วยที่ในทางเชื่อมเนี่ยนะที่ทางเชื่อมเราจะเชื่อมทั้งหมดไหมอันนี้มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะเป็นของพี่น้องชาวอุดรทั้งหมดถ้าว่าใครไปป่วยอยู่ที่นั่นนะผู้นั้นจะนะถ้ามันเกิดในเรื่องนั้นขึ้นมานั่นแหละจะเห็นคุณค่าในการวิ่งตามสะพานเข้ามา วันนั้นหลวงพ่อวอ่า ม, มันน่าจะมีการทอดพระป่ า, ปาแล้วก็ชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอุดรให้ได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อก็คิดไกลถึงถึงว่าธนาคารตรุงไทย เ, เขาก็มาขอมาขอผ อ, อ, อภูมิวยการบอกว่าเขาขอ8ดคูณปดในชั้นล่างเนี่ยได้ไหมทั้งผอออาบอผมไม่มอนุญาตไม่ได้ แต่อธตมาได้ยินอธิมารเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเราหลวงพ่อได้ทำหนังสือเป็นได้รักอักษรไปถึงพออผู้อำนวยการบอกว่าเขาขอ8คูณ8คือเป็นสำหรับธนาคารกรุงไทยหลวงพ่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งหมอด้วยทั้งพยาบาลด้วยทั้งคนไข้คนป่วยด้วยบางทีจอดรถออกมาทธุรกรรมซะก่อน เพราะมันอยู่ในอยู่ใต้ตึกหลังนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวอุดรแลว้วก็ค่าเช่าก็ชุดแท้แต่ทางโรงพยาบาลเขาคิดค่าเช่าเท่าไหร่แต่ละปีแต่ละเดือนอันนั้นกเราก็ไม่เกี่ยวแต่หลวงพ่อเห็นมามองไกลดูแล้วน่าจะเกิดประโยชน์ถ้ามีธนาคารก็ไม่มากเท่าไหร่เพียง8ปคูณแในห้องนั้นมีอุปกรณ์ทางธนาคารเขาทั้งโอนตั้งใจตั้งอะไรทั้งหมดนั่นแหะอยู่ในนั้นทั้งหมดหลวงพ่อก็ทํา เรื่องไปหาถึงพ่อ อ, อเพราะว่าคาว่นให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการก่อสร้างเลยหลวงพ่อก็ต้องแสดงความคิดเห็นใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้เพื่อประโยชน์หลวงพ่อนะแต่ต่อไปภายภาคหน้าตารถจะจอดขึ้นมาทางโรงพยาบาลจะเก็บเท่าไหร่อะไรเอะไรหลวงพ่อไม่เรว่าสุดแท้แต่ตั้งโรงพยาบาลก็ตั้งกติกากาันเขาเก็บอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลหลวงพ่อก็มอบให้แต่ไดีนี้ขึ้นมาถึงชั้นสีแล้ว แต่คิดว่าจะทอดผ้าป่าสักครั้งหนึ่งก็น่าจะเพียงพอาได้ประมาณสักสามสี่ห้าล้านเนี่ยหลวงพอ่อคิดว่าพอแล้วล่ะเป็นไปได้แล้วก็จบแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลต่อพี่น้องชาวอุดร น, นานต่อนานเพราะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเห็นนั่งรถไปที่หน้าโรงพยาบาลรถจอดยาวเหยียดแล้วก็ไปที่วัดโพธิสมพรก็เห็นรถเต็มวัดโพธิสมพรอีก หลวงพอ่อโอ้โหขดมาวัดขนาดนี้เลยเนี่ยทาไมวัดโพธิสมพรเนี่ยขดมาวัดมาว่าขนาดนี้เดินพ่อถามดูที่ไหนได้ไปจอดรถที่วัดแล้วก็มาโรงพยาบาลไม่ใช่รถไปวัดด้วยงี้นเนยเออไม่ใช่รถไปทําบุญมารถไปจอดที่วัดโพธิแล้วก็มาเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลนะเนี่ยเวณลานว่ารถทุกวันนี้มากจริงๆสําหรับโรงพยาบาล และก็พร้อมกันเมื่อวานมื่ก่อนหลวงพ่อไปพูดเรื่องนี้แหละบอกว่าเอา้าเราควรจะมีผ้าป่าแต่ว่าเราจะเอากี่สะพานเอพอดูดูแล้วเพียงสี่สะพานก็ล้านเจ็ดแล้วนะเนี่ยละมันบานปลายออกไปล้านเจ็ดถ้าหากว่าแปดสะพานคึกเข้าไปแล้วจะเป็นเงินเท่าไหร่กันมันคงจะมากขึ้นเพราะมันรับน้ําหนักนะอันนี้ก็คือเรื่องตึกแต่เรื่องที่สองต่อมา ก, ก็อาจารย์หมอจํำนง บอกว่าท่านอาจารย์โรงพยาบาลศูนของเราเนี่ยเครื่องมือผ่าตัดกับหลวงพ่อเคยซื้อน ะ, เ, อะเรื่องเครื่องสองกล้องโอเดมปัตถ้าผู้ใดเขตามถ้าปวดทอนถ้าเขาทุกวันเนี่ถ้าเขาแยงเครื่องมือเข้าไปเนี่ยแล้เครื่องมือหลวงพ่อเนี่ยตัวนั้นนะสามล้านแปดสห้าหมื่นที่หลวงพ่อซื้อให้โรงพยาบาลเครื่องมือหลวงพอ่อกับคณะซื้อให้แต่คราวนี้เขาบอกว่าอยากจะได้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งเครื่องผ่าตัดตับเนี่ยมัน ล้านห้าแค่ว่าคนอุดรทางอีสานเหนือเนี่ยเป็นโรคมะเร็งตับมากมะเร็งตับใบไม้ในตับเป็นก้อนในตับเครื่องมือตัวนี้มาจากอเมริการาคาเพียงล้านห้าแต่ทางภาคกลางเขาใช้แล้วนะแต่ทางอุดรเของเรายังไม่มีเครื่องมือตัวนี้แต่หมอทําได้แต่ไม่มีเครื่องมือแต่เนเวลาผ่าตับเข้าไปเนี่คว้านออกตาบอลเนี่ยเลือดจะไม่ออกเครื่องมือตัวนี้นะ คล้ายๆมันเป็นเครื่องไฟฟ้าในตัวมันบล็อกเส้นเลือดในตัวเลยจากนั้นก็เอาค้อนมาเล็งออกเลือดจะไม่ออกจะมีประโยชน์สำหรับผ่าตัดในเรื่องตับโดยเฉพาะราคาร้าหนห้าแต่นี้หลวงพ่อก็ถามว่าคุณอ่อนคุณหมอจำลองเนี่ยเงินที่เขาหยอดที่สนามบินนั่นะเงินหยอดตู้ที่สนามบินต่างกลัมต่างวาระเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่จะหาได้ไม่ห้าแสน เขาบอกว่าประมาณสี่แสนกว่าเอาเถอะที่ฉันจะหาช่วยจะหาเอาเงินกระเป๋าใส่เลยให้ครบห้าแสนเออเอถ้าพวกท่านพาคคุณหาได้ห้าแสนหลวงพ่อจะออกให้ล้านหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะออกให้ล้านหนึ่งออ ก, 1, ก็เลยตกลงกันแล้วบอกว่าสั่งละตรงมือจะสั่งละสั่งเครื่องมือตัวนี้เอามาใช้ที่โรงพยาบาลศูตรอุดรเพราะท่านหลวงพ่อเองที่พูดให้ฟังนี้ ถ้าหลวงพ่อไม่พูดพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลวงพ่อช่วยหลงพยาบาลอย่างไรบ้างเนี่ยเราหลวงพ่อได้ช่วยนะช่วยหลงพยาบาลคล้ายๆกับว่นหลวงพ่อเห็นมาหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่ท่านทำหนึ่งหลวงพ่อเห็นด้วยที่ช่วยสงเคราะห์สังคมชุมชนแต่วัดอื่นๆพวกเราได้สังเกตดูไหมโดยมากท่านมีความเห็นอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่าเงินที่เขามาถวายจะตุปัจจัยถวายไหมเขามาถวายสูงไง แล้วสงไปให้ญาติโยมไปได้อย่งไรเงินสงมันเป็นบาปเพาเงินสงเราจะสงเคาะคนอื่นได้อย่างไงเพราะเป็นเงินสงมันต้องเป็นของสงต้องใช้ใน้สงแต่หลวงตามหาบัวท่านคิดอีกพิจิตแบบหนึ่งบัดท่านบอกว่าเขาถวายสงกว่าจริงอยู่อันนี้ถวายสงแต่สงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มันก็พอเหลืออยู่ถ้าว่าชุมชนสังคมเขาเดือดร้อนเขาอยากจะได้เครื่องมือโลงล่ําโรงเรียนอะไรก็ตามที่ชุมชนเขาเดือดรอ เราก็น่าจะสงเคราะห์เขาคืนให้แก่ชุมชนแต่ถ้าว่าตวายิปั จ, จมาแล้วสงไม่ตะลับอย่างเดียวไม่มีการคืนให้แก่ชุมชนแสดงว่าส ง, วสงเห็นแก่ตัวสงเห็นแก่ตัวมีตะลับอย่างเดียวจะให้คืนให้ชุมชนไม่ได้ถ้าคืนให้ชุมชนแล้วผิดแต่ตัวเองรับได้แต่คืนให้ชุมชนแล้วผิดไม่ได้หวงตาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นความคิดนี้เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัว สงไม่ควรจะอยู่ในชุมชนเอ่อสงก็ควรจะไปอยู่เป็นเอกเทศไม่ควรจะรับผลประโยชน์จากชุมชนในเมื่อสงได้รับประโยชน์จากชุมชนชุมชนเขาเดือดร้อนสงก็ควรจะสงข์ชุมชนมันจึงจะถูกแต่หลวงพ่อเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับองค์หลวงตาที่ท่านให้ความเห็นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเนีย่ยมีจตุปัจจัยได้มาแล้วหนะลวงพ่อก็ช่วยโรงเรียนบ้างช่วยเครื่องมือแพทย์บาย้างเออเนี่ยให้เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมถ้าเขาถามว่าหลวงพ่อเดี๋ยวที่หลวงพ่อนี่ช่วยเครื่องมือแพทย์กับช่วยโรงเรียนเนี่ยหลวงพ่อเอาอันไหนกันแน่วะเพราะโรงเรียนหลวงพ่อสร้างไม่รู้ต่กี่โรงเรียนเยนะโรงเรียนนาคำน้อยเนี่ยหลวงพ่อสร้างเป็นอันดับแรกตั้งแต่อายุหลวงตาได้8ปดสิบสีเจดปดสิหลวงพ่อสร้างได้หมดไป4ีห้าล้านสิบหกห้องเรียนนีอยู่นาคำน้อยนะอันนี้หลังแรกพอสร้างแล้วนี้ได้เออใช่ สร้างโรงเรียนเสร็จได้ปะจากนั้นก็มีกําลังใจแล้วก็สร้างโรงเรียนท่าบ่อขอทุนจากญาติโยมนะอท่านองค์ขมลตรีขอท่านมาสร้างที่ท่าบ่อสร้างที่เชียงคานสร้างที่เอราวันสร้างที่อําเภอหนองสูงสร้างที่สกล น, นครลหลายแห่งที่ลงพ่อขอร้องแะ้ว่าขอท่านบางทีท่านก็แล้วก็ทางจังหวัดมุกดาหารก็หลายแห่งอันนี้คือโรงเรียนเขาก็ถามว่า หลวงพ่อจะสร้างโรงเรียนหรือจะสร้างโรงพยาบาลกันแน่จะช่วยเครื่องมือแพทย์แน่หลวงพ่อยกอย่างนี้นะยกสองเลวงวยว่านะช่วยทั้งโรงเรียนช่วยทั้งโรงพยาบาลเพราะเหตุไรในใจของหลวงพ่อว่าถ้าคนในชาติการศึกษาไม่ทันเขาคนในชาติโง่ออุปกรณ์เรื่าการเรียนการสอนอาคารเรียนไม่เพียงพอคนในชาติไม่มีที่เรียนหนักศึกษากในชาติโง่ จะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องเสริมการศึกษาส่วนหนึ่งต้องให้ก็ครูทั้งหลายต้องมีกําลังใจอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องอํานวยความสะดวกให้เขาพอสมควรต้องสร้างอาคารตึกที่มันจมรุดจุดโสมใหาไดอันดับที่สองก็คือคนทุกคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอจะต้องเก็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับรถจังรถเป็นรถเก๋งรถบีเอขนาดไหนก็าตามอีกสักวันหนึ่งต้องเข้าอู่ อันนี้เอมืันกันคนเราทุกคนก็ต้องเข้าอู่ไม่วันใดวันหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลในเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องมือแพทย์เครื่องอำนวยความสะดวกของเราไม่เพียงพอเราจะมีความหวังจะรักษาสุขภาพในโรงพยาบาลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโรงพยาบาลหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีนี่หลวงพอ่อก็เลย เอานวยความสะดวกทั้งสองอย่างตะกอนในโรงพยาบาลศูนย์ของเราเนะี่ยเมื่อสี่ห้าปีให้หลังไม่มีนะเตียงไฟฟ้านะใครได้ไปนอนห้องไอซหูปู่ย่าตายายใครเขาตามได้ไปนอนห้อง i อ u นั่นแหละเตียงหลวงพ่อหาให้ทั้งหมดในห้องไอซ16สิบหกเตียงไม่ใช่สองหกสิ4เจสมเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เตียงนั่น อันนี้คือพูดให้สัตายาธิยาโยมได้ฟังนี่ก็ถึงหลวงพ่อที่อยู่ในป่าดงพงไพหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเป็นอย่างอื่นสำหรับชุมชนและสังคมและก็ฝ่ายพระสงฆ์ตั้งฝ่ายพระสงฆ์หลวงพ่อก็ไปสร้างโรงพยาบาลศรีนริรินตึกสงฆ์อาพาธหออภิบาลสงหลวงปู่มันน่นริทัตโตขณะศรีนริรินมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไปดู ไปดูก็ไปขอกับตึกชั้นสิบโรงสมเด็จย่านะตึกชั้นสิบทั้งชั้นนะเลยเขาก็บอกว่าถ้าพระคุณท่านจะเอาก็ทางโรงพยาบาลก็ยินดีแต่พระคุณท่านต้องหาทุนเองถ้าได้หลวงพ่อถ้าหาคุนเองเอาหาก็หาก็เลยหาสมัครพรรคพวกสัต ย, ยาญาติโยมก็เลยไปสร้างตึกชั้นสิบเนี่ยนะเฉพาะชั้นสิบตกแต่งชั้นสิบหมดเงินไปเกือบหกร้านนะ จากนั้นก็ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เข้าไปอีกไม่เอาอุปกรณ์การแพทย์ที่มีก่อนเอาหมดเลยตัวใหม่หมดซื้อหมดหมดไปเกือบ15ล้านปัจจัยก็ยังเหลือนะเดี๋ยวนี้พระสงฆ์กูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปนอนอยู่ที่สีเนี่ยเกิเตึกชั้นสิบเลนะจากนั้นมาหลวงพ่อก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงพ่อเอาให้ใครเป็นประธานมูลนิธิ เขาเขบอกให้หลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อเออถ้าให้คน ana, an, อื่นเป็นประธานเขาคงท่านก็คงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เงินเหลือเท่าไหร่แต่หลวงพ่อรู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่เพราะหลวงพ่อสร้างตึกหลังนี้มากับมือหลวงพ่อรู้อ้าหลวงพ่อเป็นประธานให้ได้แต่หลวงพ่อขอเป็นประธานเพียงสี่ปีนะเป็นประธานคัดตาทับทนั้นสี่ปีหลวงพ่อก็จะลาออกแต่ว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ไปประชุมกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่ย บอกว่าหลวงพ่อลาแล้วนะหลวงพ่อมีภาระและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่ออายุมากแล้วแก่จะเข้าเจ็ดสิบแล้วให้องค์อื่นให้คนอื่นมาเป็นประธานแทนนะเขาไม่ยอมทีนี่พวกคณะหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อต้องเป็นอีกสมัยหนึ่งเดี๋ยวนี้มูลนิธิกําลังตั้งไข่กันลหลวงพ่อเป็นลาออกก่อนเนจะเดินไปได้ยังไงเพราะได้โทรก็เลยหลวงพ่อก็เลยคงจะต่ออีกสักอีกรอบหนึ่งคงจะเป็นแปดปีนี่แหละอันนี้ก็คือมูลนิธิเพราะนั้น เรื่องศาสนาก็ดีเรื่องออพี่น้องประชาชนจับทาญาตโยมก็ดีเลยหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้มองค้ามทางด้านวัตถุแต่ว่าทางด้านศีลธรรมจริยธรรมหลวงพ่อพยายาม เ, ออเดินตามเดินแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจาออรย์หลวงตามหาพัวหลวงปู่ล่านะออที่หลวงพ่อเคยศึกษาอยู่กับท่านนะเพราะรท่านเรื่องการดูแลเรื่องการบำรุงรักษา เรื่องการดูแลการศึกษากอดีการพยาบาลการเก็บไข้ได้อบปวยพอดีสาซ า, า, าสุปวดง่ายหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะในนี้เข้าประเด็นนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากในหลวงพ่อจะแจกหนังสือแจก MP ็สให้พวกศรัทธายาโยมไปฟังเอาเองเลยเพราะหลวงพอมีเอมีสามแจกเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาหลวงพ่อก็แจก MP ็สด่เลยแต่ MP ็สของหลวงพ่อนะ MP ็สหลวงพ่อเนี่ย อยู่นีนนี้สองแผ่นนะแผ่นหนึ่งเนี่ยสิบสองสิบสามชั่วโมงนั่งฟังจากอุดอรไปถึงกรุงเทพนั่งฟังจากกรุงเทพมาถึงอุดอรหมดไปแผ่นหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ต้องเทศมากกว่านี้เพราะนั้นเอาเอ็มพีสามไปเลยเสียบใส่รถไปฟังเอา้าเดี๋ยวนี้ต่างคนก็ต่างมาพูดได้บอกโอ้เมื่อกี้นี่ท่านพิพากษามาจากพังงาเนะยพิพากษาหนุ่มเนละโอ้ท่านอาจารย์ผมเป็นพิพากษามาสี่ปี ผมในฟังเทศของท่านอาจารย์เข้าใจดีเข้าใจได้ง่ายผมคิดว่าผมตั้งใจอยู่ว่าต่อไปผมเป็นพิพ า, า, ากษาชั่วระยะหนึ่งพออยู่ตัวแล้วผมคิดว่าผมจะบวชบวชบั้นปลายชีวิตจะเป็นนักพจน์นะบวชจะภาวนาเ อ, อแต่ผมเห็นปู่ย่าตายายของผมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของผมพ่อแก่ขึ้นมาแล้วไปหาตกเบ็ดไปหาเข้าโรงหนังฟังลํา ต้อดูดูนะผมว่ามันใช้ชีวิตไม่เกิดประโยชน์นะฝั่งของนพูเท่าทั้งหลายนะเ <c oughs> ออมันต้องเข้าวัดเข้าว่าดดำเนินชีวิตไปในทางเออทางสงบทางที่ถูกผมว่านะอันนี้เขาพูดนะพิภาคษาหนุ่มนะแต่ต่อไปอาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เมื่อแก่ขึ้นมาเมือนนแต่ต่ทีนี้เขาพูดเมื่อเช้าเนี่ยนะเขาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเออดีเออคิดถูกแล้วนะนะ แต่ต้องคิดอย่างนี้ให้แน่นหนามันคงนะให้ศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็บอกนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าเอ็มพสามของหลวงพ่อเนี่ยถ้าว่าผู้ใดตั้งใจฟังเวลาฟังแล้วอย่าไปคุยกันเสียเพราไปเรนรถแล้วก็นั่งต่างค้องกระต่างฟังจะได้ความคิดแต่ถ้าเราฟังไปแล้วคุยกันไปด้วยอย่าฟังนะเอออย่าฟังฟังแล้วมันกวนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมด ถ้าอยู่ในบ้านก็เหมือนกันถ้าอยู่ในบ้านก็นเสียบแล้วก็ตั้งใจฟังนั่งฟังออพอฟังเสร็จแล้วมีอะไรจะค่อยคุยกันขณะที่ฟังอย่าคุยกันอย่าพูดกันอย่ารบกวนในขณะที่ฟังเพราะธรรมะนะั้นไม่ใช่เสียงเพลงนะเสียงร้องรําทําเพียนเสียงดนตรีขึ้นมาแล้วกระตุกกระดิ ก, กดขาไปด้วยฟังไปด้วยแต่เสียงเทศในเวลาฟังเอาไปกันกรองด้วยนะเวลาท่านพูดมันมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมที่ท่านพูดเนี่ยมีเหตุมีผลไหม แล้วก็กันกลองไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยในเนื้อหาสาระที่ท่านพูดเพราะท่านเอาเรื่องของท่านมาพูดเอาใจในใจของท่านมาพูดเอาความรู้สึกของท่านมาพูดนั่นคือเทศเทศที่คูบาอาจารย์อบรมเนี่ยนะเพราะนั้นหลวงพ่อได้พูดในเรื่องนี่แหละให้พวกเราศรัทธาแติมยมไปกวางและก็นังสือพระคุณของบิดามารดาพระคุณของบิดามารดาหลวงพ่อได้เอามาแจก ในหนังสือเนื้อหาสาระพระคุณปิามนานาะนั้นมันมีชาดกอยู่สองเรื่องนะหลวงพ่อเทศตั้งแต่ปี 2,543 เขามีรูปประกอบด้วยนะแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกรูปประกอบแต่หลวงพ่อมีแต่เทศทเฉยๆคือนื้ทาอันนี้ชาดกเรื่องนี้เนะี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าพวกเราเกิดมาพ่อแม่ออมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราควรจะรักเคารพพ่อแม่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 ต่อมาแม่ก็เลยตายยังเหลือแต่พ่อพอได้ต่อพ่อมามันก็มีลูกสะภ้ยกับลูกชายและกับปู่ต่อมาปู่ป่วยไปเป็นอมพึกอมพาพออมพดพออมภพุ่มภพาตลูกสะพ้ยก็ได้หลานอีกคนหนึ่งแต่พ่อได้หลานคนหนึ่งทีนี้หลานก็ใหญ่ขึ้นพ่อก็เป็นอมภพาดเวลาจะไปที่ไหนถ้าาว่าพ่อบ้านไปแม่บ้านก็ต้องเฝ้าใช่ไหมล่ะถ้าว่าแม่บ้านไป หาอยู่ฮักกินพ่อบ้านก็ต้องเฝ้าพ่อปู่อยู่คนเดียวช่วยตนเองไม่ได้เป็นอมาพาตต่อมาหลานใหญ่ขึ้นมาหลานก็ต้องเฝ้าพ่อแม่ออกไปข้างนอกพ่อต่อมาทีนี้ลูกสะภ้ยเนี่ยอยู่มาตจนแล้เบือ่อเนี้ยเบื่อพ่อปู่วันเนี้ยก็เลยบอกว่าเธอจะเอาฉันไว้หรือเธอจะเอาพ่อของคุณไว้เออเลือกสองทางทางผู้ผัวเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกทางไหน ก็เลือกเมียดีกว่าเพราะว่าพอ่พอทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม อ, อ็นอนสลบสลดไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วแล้วจะให้จะให้ผมทํำยังไงทางแม่บ้านกันแนะเลยเด้อจะไม่ยากอะไรเออเวลาคนนั้นก็เอาไปฝังในป่าช้าแล้ว ก, ก็จบเพราะไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วเนี่ยทางพ่อบ้านก็เลยเออเอาตกลงทตนี้ก็พอต่อมาเนี่ยก็เลยสารตะก้าร์ไปเนี่ย ลูกชายในยกระสานตะกร้าใบาบักใหญ่ก็มีหูด้วยนะะวันหนึ่งวันดีคือดีก็เลยบอกกับลูกชายว่าเฮ้ย hey, นมวันนี้พ่อมีธุระนะอย่าไปไหนนะครับท่านี้ก็พอดึกส ง, งัดแล้วก็พ่อก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยเอาจับทั้งขาพ่อจะจับรักแล้พอจับเสร็จแล้วก็เอาใส่ตะกร้าพ่อใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็ไม้สอดแล้วก็หามแล้วงั้น พ่อก็บอกไปไปทางหน้าอลูกชายก็ไม่รู้ว่าทาไปทางไหนพ่อบอกแต่ไหนก็ไปทางนั้นหนยกันเถอะพอไปไปไปก็เข้าป่าเข้ารกไปถึงป่าช้าพอไปถึงป่าช้าก็เลยวางตะก้าลงพ่อตะกาลงพ่ออธิบายให้ฟังหน่อนี่นะที่พ่อหามปู่มานี่น่ะพ่อปู่เนี่ยเป็นอมพาตมาเป็นสิบกว่าปีเลยเออสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเป็นภาระธุระสําหรับพวกเราอย่างมากเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าถึงไงปู่ก็ไม่หายอยู่แล้ว ตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายปู่เองก็คพวอยากจะตายพอแรงแล้วแต่ไม่ตายท่านเองเพอท่านวันนี้เราขุดหลุมฝังเลยให้จบไปทังลูกชายก็ยืนฝังพ่ออยู่ลูกชายก็เราบอกพ่อพ่อจะฝังทั้งตะก้าด้วยเลยผมคิดว่าผมจะเอาจอบกับตะก้าเนี่ยเอาไว้อีกตะแกเอาไว้ทำไมต่อไปภายภาคหน้า เมื่อพ่อเป็นอมภพอมพาตผมจะได้หามพ่อมาฝังเหมือนฝังปู่เนีแหละเงั้นพ่อก็ออึง่งอะไรวะไปไปไปไปถามกลับถามกลับเอา้าทําไมจึงหามกลับล่ะพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนอง เ, อเดี๋ยวกรรมตามสนองวะเวลาเขาจะฝังตัวเองก็กลัวได้แเนี่เวลาจะฝังพ่อนะไม่กลัวเงี้นอนี่แหละเป็นคนเรามันแปลกอันนี้คือเรื่องหนึ่ง เรื่องหนึ่งอีกแตเนี้ยอ่าอันนี้เป็นเรื่องมาได้พระไตรปิฎกนะั่นี่ยไม่ใช่เรื่องของพ่อเล่าเองเลยอันนี้เป็นเรื่องชาดกเนะี่ยทีแรกในพระไตรปิฎกเหมือนกันในแต่ชาดกแต่ในเรื่องปัจจุบันในครั้งพุทธกาลแตนี่ยในครั้งของพระเจ้าเอยังทรงพระชนอยู่นะี่ะมีพราม์คนหนึ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกถึงเก้าคนลูกชายล้วนเลยนะพอต่อมาแม่บ้านก็ตายพอแม่บ้านตายแต่ว่าพราหมณ์คนนี้มีฐานะดี สองตายยาในสวแสวงหาทรัพย์มีเงินถึงล้านอะ่ะมีเงินล้านบาทมีเงินจุโกดหนึ่ง10ล้านมีเงินอยู่ล้านหนึ่งแต่เนี้ต่อมาแม่บ้านตายพ่อบ้านก็เลยอยู่กับลูก9้าคนลูกชายล้วนน่งต่อมาลูกชายก็เลยใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่งงานแต่งงานทุกคนได้ลูกสะพ้ยเก้าคนลูกชาย9้าคนลูกชายก็บอกว่าพ่อพ่อพวกผมก็แต่งงานหมดแล้วเนี่ยเงินที่พ่อมีอยู่ น, ะน่าจะมาแบ่งกันซะ เพื่อไม่พวกผมได้ทํามาค้าขายอถ้าเอาเก็บไว้ก็เป็นกระจุกอยู่เฉยๆพ่อจะว่ายังไงพ่อเออก็ดีละถ้าข่าหามาเด็กก็หามาเพื่อลูกนั่นแหละเอาแบ่งกันเอาคนละเท่าไรละ่ะเอาคนละแสนเออเอาส่วนละแสนเอาก็เลยแบ่งให้คนละแสนแสนแสนแส น, แสน ไ, ดได้ยังเหลืออีกแสนหนึ่งใช่ไหมพ่อก็เลยเอาไว้แสนหนึ่งต่อมาทํามาค้าขายอีกเออบอกว่าเงินยังหมุนไม่ทันพ่อขออีกคนละหมืน่น พ่อก็เลยแบ่งอีกคนละหมื่นให้ไปอีกต่อมาอีกขอคนละพันให้ไปอีกกว่าเงินแต่ขอคนละร้อยหรือเปล่าในตำราท่านไม่ไดพูดเลยแต่ น, นี้ไปแล้วก็บตี น, นี้กับปู่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนะเพราะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปลูกสะภ้ยคนโตนะึกบอกว่าปู่ไม่รู้จักบ้านคนอื่นนะรู้จักแต่บ้านพวกเราแต่สมบัติแบ่งเสมอกันหมดนะแต่ว่า ปู่เนี่ยไม่รู้จักบ้านใครรู้จักแต่บ้านเราปู่ก็ได้ยินตรงหลายครั้งต่อหลายหนโอ้ไม่ไรเขาไล่พุดทั้งอ้อมแลยเนี่ยไปหนีหนีไปอยู่บ้านลูกชายคนที่สองไปอยู่คนที่สองก็เขาก็พูดอีกหนีไปอีกไอ้คนที่เจ็ดหนีคนที่ 7. หกที่ห้าที่สี่ที่สามจนถึงคนที่หนึ่งพอถึงคนที่หนึ่งเขาก็ยังพูดอีกอย่างเก่างหมนกัูกสะพยก็เลยหนีออกจากบ้านเออฆ่าเนี่ยตายไปทางหน้าดีกว่า มีย่ามอยู่ใบหนึ่งก็มีหม้อมีหม้อโลโหูขาดอยู่ใบหนึ่งก็มีไม้ค้อนเท้าอย่างนั้นเถิดเออนี้ออกจากบ้านไปจัดเจปเนจรไปเลยหาอยู่หากินไปเลยฉุดแทะแต่มันจะได้กินแปล ว, ว่าตายเป็นตายนั่นแหละอาบน้ำใหม่ได้อาบน้ำความบริว่าแต่ ว, วันหนึ่งเดินไปหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเอวัดป่าวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พรามก็เห็นเออสมมณะโคดมพุทธเจ้าเลย เราก็ได้ยินกิติศัพท์เรื่องเือว่าท่านเป็นผู้มีเมตตามีน้ำใจตอ่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราเข้าไปในท่านคงจะเมตตาเราบ้งจะมีอะไรได้รับจากท่านบ้างอาจจะได้รับอาวุธหรือของเอาหุงอาหารออจากท่านก็ไนดะ้เราควรจะเข้าไปหาท่านพราหมณ์คนนั้นก็เลยเข้าไปในวัดป่าเชิตะวันพอเข้าไปพระพุทธองค์เห็นก็เลยเรียกเข้ามาพราม์าแล้วเข้าไปพุทธองค์ก็ถามว่าพราหมณ์ เธอทำงานอะไรอาชีพอะไรเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นยังไงการชงชีพทุกวันนี้พาม ก, ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนผมก็มีอันจะกินทํา ม, มาค้าขายกับพามันเอคือแม่บ้านของผมก็ได้ลูกถึงเก้าคนจากนั้นผมก็ได้แบ่งสมบัติให้แก่ลูกแต่พอต่อมาพ่อลูกได้มรดกไปแล้วลูกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลูกสนะพ้ยเนี่ยเขาขุดกระเนะกระเนะผมเราอยู่ไม่ได้ลาคากนะี่ยต้หนีจากบ้าน นี้จะเขามาเพราะพุทธจ้าบอกว่าแล้วจะทํำยังไงล่ะผมไม่คิดว่าจะกลับล่ะตายที่ไหนก็ตายล่ะเกิดมาจะทํทำยังไงได้เพราะพุทธายาบอกว่าพรามณ์เราจะสอนคาถาให้สอนคํำคมให้สอนสุนทรพจน์ให้เธอจะกล้าไปพูดต่อหน้าเขาไหมพราหมณ์ก็บอกถ้าพระพุทธองค์สอนให้ว่าอย่างไงผมพร้อมที่จะไปพูดได้พระเจ้าค่ะเออเอเลี่ยน เราจะสอนให้เพราะพระเทวเจ้าเขาเลสอนสอนคําพูดใ ห, พดให้พอสอนคําพูดเสร็จแล้วก็ไปกลับไปบ้านนะขอกลับไปบ้านเนต้องเรียกเขาบอกพี่น้องลูกหลานทุกคนให้มาฟังเรานี้จากบ้านไปนานโดยไม่ได้สั่งลาใครแต่บัดนี้เรากลับมาแล้วเราจะมาสั่งลาเราจะมาสั่งเสียเราจะมาพูดอะไรให้ฟังขอทุกคนมาฟังข้าพเจ้าจะพูดอะไรให้ฟัง แต่ให้พอพราหมณ์ประกาศเท่านั้นแหะคนเท่านั้นลุ้งมาใช่ไหมอยากจะฟังใช่ไหมพราหมณ์คนนี้จะพูดเรื่องอะไรแต่เนี้เเขากลับมามานั่งล้อมรอบหมดแล้วก็บางคนก็คิดว่าพราหมณ์ก็คงจะฝากหนี้สินไว้กับใครอาจจะมาสั่งเสียเงินคําทรัพย์สมบัติที่ตกค้างกับมัง้งหรือว่าฝังทองฝังเงินไว้ที่ไหนอาจจะมาสั่งเสียให้ไปขุดเอาก็มัง้งมันความคิดมันหลากหลายแต่พราหมณ์เน่านั้น พอมาถึงนั้นก็มายืนเอาฟังก็ฟังพรามณ์ก็ยืนอยู่ที่ฟอที่สูงข้าพเจ้าจะกล่าวคำคมและสุนทรพจน์ให้ฟังผนทางหลายก็ฟังเงียบพราม์ก็เลยบอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมาย ได้ขากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวัยวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะาละเลยคือพรามเขาเก่าเขายืนเก่าอืพรามเขาบอกว่าลูกทั้งเก้าคนเนี่ยที่เลี้ยงมาแล้วเนี่ยสู้ไม้เท้าของพ่อไม่ได้ไม้เท้าของพ่อนี่นะ ถ้าจะล้มก็ยังค้ำตัวเองอยู่ถ้าเห็นหมามาก็ยังวัดเวียงหมาก็ยังกลัวถ้าเห็นวัวควายมาันก็ยกไม้เท้าขึ้นมาก็ยังกลัวเออมีประโยชน์มีคุณค่ากว่าลูกทั้งเก้าคนที่เลี้ยงมาแล้วเที่ปล่อยปาละเลยจนให้พ่อลําบากถึงขนาดนี้ลูกชายคนโตพอได้ยินพ่อพูดอย่างนั้นสารภาพผิดเอ้ใช่เราปล่อยปาละเลยคุณพ่อจะเกินไป ทั้งที่พ่อเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ไม่ได้ดูจริงๆเราไปจะทำมาค้าขายเออเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้แม่บ้านแล้วพัญญาของเขาไปพูดอะไรให้พ่อเจ็บใจเลยเขาก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเอาถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมจะดูแลพ่อตลอดไปพ่อให้มีความสุขได้มีอะไรบอกผมตั้งแต่วันนั้นลูกทั้งเก้าคนก็เลยเลี้ยงหน้ากระดานกันดูแลพ่อพ่อก็ได้รับความ สะดวกสบายได้รับความสุขโอ้ที่เราได้รับความสุขนี่ก็เพราะว่าเราไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้คำกล่าวสุนทรพจน์ให้กับเราเราจึงได้มากล่าวมาบอกให้ลูกลูกจึงสำนึกในความกะตันยูกตะเว ท, ทิตาต่อเราเพรา ะ, ะนั้นเราควรที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านจากนั้นพ่อเลยบอกเอ้ยลูกเอ้ยพ่อได้รับความ สุขขึ้นมาคราวนี้ก็เพราะว่าในรับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่ออยากเกณฑ์นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านจักองค์จักไม่กี่รูปพวกเราจะพอจะดูแลไหวไมั้ยได้ได้ไดไดพ่อพวกลูกทั้งอะไรก็เข้มแข็งแข็งขันอย่างนั้นกณฑ์นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านผู้ทรงพอมาฉันแล้วก็ปองก์เทศแสดงทําให้ฟัง พ, พรามก็ได้สําเร็จพระโสดาบันลูกชายทั้งเก้าทุกลูกจะไปทั้งเก้าได้สาเร็จพระโสดาบันทั้งหมด อันนี้คือมาในพระไตรปิฎกมาในธรมรมปัตทนะักษะในเรื่องนี้พนวะั้นลงพ่อว่านเพระพระเจ้าสอนคำคข่มคำวงคนี้น่าคิดทีเดียวสรุปแล้วก็คือลูกทั้งเก้าคนสู้ไม่เท้าพ่อไม่ได้แต่ของอย่างนี้นะถ้าพ่อจะไปสอนลูกเนะี่ยสอนไม่ได้เนีเขาห่าว่าพ่อนำเลิกแต่ให้พระสอนเนี่ยพระสอนได้เนี เพราพระไม่มีอะไรมีแต่บอกสอนให้ฟังเลจริงไหมที่พูดเนออที่พระพูดให้ฟังในจริงไหมมีเหตุผลไหมที่พระพูดให้เจ้าปวดมีเหตุผลไหมเออใครหนีเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมต้องยอมรับเลยอือใช่อเออเลี้ยงลูกแสนที่จะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรธิดาเนี่ยแทนแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อแม่ได้เหมือนใจหมายพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเพื่ออะไร เลียงมาเพื่อเมื่อเท่าแก่ชลาจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรธิดาอันนี้ถึงจะไม่พูดและไม่พูดก็ตามแน่ ใ, นใจส่วนเลึกๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น เ, เพราะนั้นในทำคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้ระลึกถึงพระคุณเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านขนาดเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็ยังให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ได้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่หัวจุดเท้าเรามาจากใข่ก้อนทุนก้อนนี้เน่เรามาจากไข่ได้มาจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้ก้อนทุนเรายังอยู่กับเราอยู่เราเอาก้อนทุนก้อนนี้ไปสระแสวงหาทรัพย์เมื่อสระแสวงหาทรัพย์แล้วเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็ทาบุญ และกูติศ ส, ส่วนกุศลเออพ่อแม่เ อ, อผู้ฆ่าได้สร้างโรงพยาบาลได้สร้างโรงเรียนได้ทําสาธารณประโยชน์ได้บํารุงพระพุทธศาสนาได้ทําบุญทําทานด้วยอเนิสง์แห่งการทําบุญทําทานของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้พ่อแม่ดวงวิญญาณของพ่อแม่สิงสะติจุนะู่ณถิ่นใดที่ใดได้เมื่อตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิงขึ้นไปเมื่อเราทําบุญทุกครั้งต้องอุทิศ ลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่พราะเห็ไหนไรพ่อว่าในร่างกายของเราพ่อแม่ยังอยู่ยังอยู่กับเราเนี่ยแหละหลักของพุทธศาสนาท่านให้ลำลิกถึงพระคุณเอาแล้วม้างเบายา้าเราบาดเนี่ยนี่ยังอีกบเดี๋ยวจะแจกหนังสือแล้วเดี๋ยวจะให้ทอดเลยก็แจกหนังสือแล้วนะเออรับพทอด น, นะตีน่านะ ยูเย็นเป็นสุกทุกขู่ทุกคนเนะีพวกคณะชาตท่า ญ, ญาติโยมปุกลานทุกขู่ทุกคนอยูเย็นเป็นสุปราทนาสิ่งใดยุดในเกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปราดถนาและก็พ้องกันกรนะะยาลืมเนาะกระยาลืมผู้ที่สูงอายุกเกษียณอายุราชการแล้วป่ะเนี่ยเหมือนคลืนเมื่อไห่ฟังเทศลงตาลงพอวานะฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของเมืองอุดอรของเขานะ ร้อยเเมกะเฮิรต์นะสองทุ่มแล้วนะอย่างหน่อยกอ่นอนนะันให้ฟั่งเทศสักกันหนึ่งทา ม, มีเวลานะคือให้นั่งฟังอิริได้บ่แม่นนันฟั่งไนดะ้ให้นั่งฟังเผื่ อ, อยังนบมือฟั่งอีกต่างหากดวงตาเทศ เ, เทศสักกันหนึ่งและยังคอยนั่งภาวน่าอีสกอออสักหน่อยต่อปีสักฐานหน้าที่ทิพย์หนาที่ยังคอยนอน่นนี่แหละจะเป็นสิริเป็นมงคลจะมีเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจ ถ้าวาพวกเฮาเน่ยบ่ได้ฟังเทศบ่ได้ฟังถ้มบ่ได้ยังอยู่เป็นมือมือบ่จะมีความสุขบ่ได้ใจของเฮาจะเหี่ยวแห้งเออ่างว่างวาวเวเงียบเหงาเสาซึมได้พอาเหตุใดขค้นไปทางหนาจักที่ขึ้นไปขอดก็ขอดตายจักที่เป็นคนก็ตายผู้ใดก็พ่วยก็เลยใจของเราก็เหี่ยวแห้งอับเฉาคนในชุดก็เลยเสาซึมไปพราเหตุใดพอเฮาบ่ไดศ้ศึกษาธรรมะถ้าว่าเฮามีธรรมะในจิตใจเอ้ย เขาเกิดมาผู้เดียวต่อเอ่อเข้าสางคุณง่ามความดีไปแล้วเขาจะไปไสตไปไสต์ก็ไปทว่าเข้าท้ำคุณง่ามความดีแล้วเข้าต้องไปทั้งดีคานว่าเข้าเห็ดชัวหรือจะไปดีได้จังใดเมื่อเข้าเห็ดตีเราจะไปชัวได้จังใดต้องเชื่อมันในเจ้าของเชื่อมันในบุญกุศลดูรับกับเจ้าของเลยคานว่าเข้าใดสางคุณง่ามความดีมันมั่นใจเด้คานว่าเข้าบ่ใดสางคุณง่ามความดีเดช มว่นนวาได้ไหวพระบ่อได้สวดมนต์บ่ได้นันนนง่งเผาวนาบ่อได้ทำบุญท้าท่านอยู่เป็นมื อ, มอเป็นไปเนี่ยเอมส่วนที่สุดเกิดเออมันโมมี่รักใจมันโมมี่รักใจก็จิตใจกับเศร้าซึมอับเฉาเออมันโมมี่รักหยุดเพราะนั้นหลวงพ่อว่าอะไรพวกเข้าทัานทั้งหลายจะท่ายัดง้มเนี่ยาการกลางคืนมาตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าเนี่ยกลางคืนหลวงตาเทศเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นกรรมการผู้นึง ให้น้ำเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเขาวิทยุให้เทศอบรมพระกังขื้นอบรมพระเลยแต่แต่สองถุ่มจนตีหาน่เพราะนั้นเหตพวกเฮาฟังศ ร, รัทธาญาญยญฟัง่งบองตั้งใจฟังปโนมมือฟังจั ก, งกกันนึงพอกันหนึ่งจบเลยไหวพระและ้วก็นื้นางพวาวนาต่อสักหน่อยแล้วก็คอยนอนแล้วมื่ออื่นมากกับเมื่อใดมีโอกาสฟัง่งอีก แต่อย่าไป น, น, นั่นนนนฟังเลยถ้านั่ฟังล่ะมันเคยชินรับได้ตื่นได้ฟังตลดิดเปิดเปิงไปเลยว่าอะไรอะไรนั้ น, น, นฟังเทศจันทร์บุรีแต่ฟังให้ตั้งใจฟังอิริฟังหลักการกลองตอนไต่อตองไปนั่งต่อไปจิตใจของห้องจะเข้มแข็งไปเรืเ่อยๆมีถ้ำมีอัดมีถ้ำในจิตในใจแล้วพวกเขาจะมีความซุกอยู่ลึกๆในจิตในใจมีดยึดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจอีกต่างหากเพราะนั้นคืการฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะคือสอนใจได้ แต่พวกเข้าเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์เป็นตำรวจทหารเป็นข้าราชการพ้นเรเลื่อน อ, อย่างมากกว่าตับอันนั้นเป็นเครื่องปัจจัยเป็นการเสา ะ, ะแสวงหาปัจดใจซีคือหาเงื่อนมาแล้วสางบ้านสร้างเฮื่อนซื้ออาหารมาทาา่านยาแก้โรคให้ไข่เจ็บแล้วก็ผา น, นึงนงคมกะใส่ใจเอามาใส่ใจให้ปัจใจซีเพื่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแหะแต่ส่วนจิตใจตัวนึกคิดน่ย เข้าจะเอามาแต่ไหนมันกับบุพอ์เนตัวนี้เพราะนั้นต้องเอาธรรมะเอารักเหตุผลเของมาสู่จิตสู่ใจของพวกเขา้าก่อนทีเขาเอามาได้ที่เหตุอย่างไดมีสมาธิธรรมมีปัญญามีสมาธิคือท่ามิตใจให้สงบเมื่อคิตใจสงบแบบเอาปัญญาพิจารณากันกล่องไตรตรองเหตุและผลจากนั้นเข้าก็ย่อมรับรักเหตุผลของพระพุทธ เ, เจ้าเรื่อยๆท่ามิตใจให้สงบนิ่งมีความสุขได้แต่นี่โอ้ เออนิทวะนัตทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเฮ้าจะหูได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเข้าวัานั้นพวกเข้าทุกคนนะเอ่อตีลงวะพอเว้เานี่เออพอสถานีหลวงตามีอยู่แล้วแต่เข้าจีฟังหรือบอฟั่งเท่านั้นแหะแต่ฟังน่ยจะไปฟังตะเตลิดเปิดเปิงวันนไปฟั่งมือละกันเออแต่ยัางโมเว้นเนี่ยเพิ่นเกเทศไปบางที่ก็เพียนยู่บางที่หลวงปูหลาเทศบาง บางที่หลวงปูชาเทศบางบางที่หลวงพ่อพูดเทศบงังหลวงปูข่ำดีเทศบางบางที่จะเสียงดีบงังเสียงบ่ดีบงังเข้าอาจจะฟั่งเบิ่งแล้วอาจจะบ่เข่าใจแต่ย่างบ่อคยเนี่เสียงดีเลยเออแต่ถ้ามาลึกแต่กันผูได้บ่เคยประพฤติธปฏิบัติมา ก, ก่อนนี่ยจะฟั่งเข่าใจได้ยากแต่ถ้าผูดฟั่งไปเรื่อยๆจะเข้าใจไปเรื่อยโอ้เทศของหลวงตานี่ยส อ, สอนลูกสอนลานสอนพระสอนแน่นสอนได้ดีอีหลีเท่าจะหูจักเล่ยกว่านเนี่ย เพันในพวกเข้าฟั่งอาศัยการในยินไ่ไในฟังนั่นวในยินไ่ไในฟังน่นนํำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของเขามีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขอาตอนนี้ไปรับพร น, น, นัตเทเนอร์อนุโมทนาให้พร